i a not t เมื่อบ่มเจริญอบรมเมตตานะในการที่ตามระลึกถึงตนเองน้อมจิตเมตตาให้เกิดขึ้นในกระแสจิตของตนเองอย่างนี้แล้วเราเล่า แ, แ, แล้วเนี่ยในขณะเดียวกันก็คือตั้งศรัทธาตั้งความเพียรคือความภาคเพียรพยายามไม่เกิดขึ้นเมื่อความภาคเพียรความพยายามเกิดขึ้นในกระแสจิตแล้ว ประการต่อมาก็คือทำจิตให้เกิดสติสติในที่นั้นก็คือการตามระลึกได้หรือความระลึกได้การตามระลึกได้ในขณะ น, นี้เอาสติมาเกิดร่วมกันกับเมตตาเมื่อสติมาเกิดร่วมกันกับเมตตาตัวสตินั้นก็ระลึกไปที่ขันอัตภาพของตนเองระลึกก็ปรารถนา ตั้งจิตละลึกบอกว่าขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขความสุขในที่นั้นก็คือว่าถ้าในปัจจุบันก็ให้ความสุขที่ได้สุขที่เป็นมนุษย์สมบัติบ้างในอัตภาพในอนาคตก็ละลึกให้มีความสุขที่เป็นไปในส่วนของสวรรค์สมบัติและเป็นปจัจจัยแห่นิพพานสมบัติเป็นต้นแล้วก็ปรารถนาให้ตนเองนั้นพ้นจากเวรทั้งหลายมีปานาธิบาติเป็นต้น ดังนั้นการที่มีสติและลึกและตั้งมั่นประการต่อมาก็คืออบรมสมาธิให้เกิดขึ้นทำความตั้งมั่นให้สังเกตดูว่าถ้าเมตตาภาวนาเกิดขึ้นตัวเมตตาภาวนานั้นก็จะตั้งมั่นในอารมณ์เดียวถ้าจิตเข้าถึงความตั้งมัน่นอย่างแท้จริงแล้วแสดงให้เห็นชัดว่าตอนนี้จิตนั้นประกอบด้วยสมาธิ นี่ก็สังเกตดูว่าจิตนั้นมีความผ่องใสไหมถ้าจิตมีความผ่องใสในการปารบในการที่ปรารถนาดีให้ตนเองประสบความสุขประสบความเจริญในลักษณะอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าตอนนี้ได้สมาธิในการของสมาธิตั้งมัน่นและในขณะเดียวกันก็คือปัญญาก็ต้องมารอบรู้ในการอบรมหรือในการเจริญเมตตาอย่างนี้เป็นต้น ฉะนั้นการที่บอกว่าจเจริญเมตตาเมื่อจเจริญเมตตาได้อย่างต่อเนื่องไอตัวเมตตานี้จะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์โดยการที่ว่าทําจิตนั้นนะ่ะให้เข้าถึงความผ่องใสเมื่อจิตนั้นเข้าถึงความผ่องใสเข้าถึงความตั้งมั่นแล้วเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าสภาพของเมตตานั้นนะเป็นไปกับบุญเป็นไปกับกุศล ลักษณะของเมตตาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เว้นการเบียดเบียนบีบขั้นเว้นจากการฆ่าไม่ฆ่าเว้นจากการทำให้เดือดร้อนไม่ทำให้เดือดร้อนด้วยการเว้นจากการย่ายีไม่ย่ายีด้วยการเว้นจากา ний, การเบียดเบียนไม่เบียดเบียนซึ่งกัดทั้งหลายซึ่งพูดทั้งหลายซึ่งบุคคลทั้งหลาย สึ่งจัดพูนับเนื่องในพบทั้งหลายหญิงทั้งหลายชายทั้งหลายเป็นต้นเ่าเนี้ยลักษณะอย่างนี้แล้วก็ปรารถนาบอกว่าเมื่อน้อมจิตให้กับตนเองเบ็ดเบ็ดเสร็จอย่างนี้แล้วเนี่ยทีนี้ก็มาน้อมจิตระลึกดูว่าในขณะเนี้ยเราระลึกถึงใครถ้าหากว่าเป็นพ่อแม่เป็นผู้มีอุปการะคุณอะไรต่างๆเ่านเนี้ยเนียแล้วก็เริ่มน้อมจิตของตนเราเองเนั้นน แผให้กับบุคคลอื่นเช่นแผ่ให้กับบุคคลอื่นเช่นถ้าจะแผ่ให้กับกลุ่มบุคคลที่เป็นที่รักก็คือว่าขอให้คนที่เป็นที่รักของข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดขอให้คนที่เป็นที่รักของข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยขอให้คนที่เป็นที่รักของข้าพเจ้าอย่าได้มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตปองร้ายเดียดเดียนซึ่งกันและกันเลย ขอให้คนที่เป็นที่รักของข้าพเจ้าอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอให้คนที่เป็นที่รักของข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเถิดลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าแผ่ไปให้สัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหญิงทั้งหลายชายทั้งหลายสัตว์ที่มีปานหน้าทั้งหลายสัตว์ที่มีอัตภาพทั้งหลาย มนุษย์ทั้งหลายอ่ามนุษย์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้ที่เป็นที่รักของข้าพเจ้าเนี่ยให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยมีความสุขประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตลักษณะอย่างนี้เ็าเรียกว่าแผ่เมตตาไปให้กับกลุ่มบุคคลที่เป็นที่รักเป็นต้นทีนี้บางทีเนี่ยเราก็ตั้งแผ่เมตตาเนี่ยนะในขณะเนี้ยให้เอาตอนเองเนี่ยมีการกาหนด เบื้องหน้าของเรานะคือทิศเบื้องหน้าเบื้องหลังของเราก็คือทิศเบื้องหลังด้านขวาด้านซ้ายเบื้องล่างแล้วก็เบื้องบนให้เราตรึกไปในทั้งด้านหน้าของเราแล้วก็น้อมจิตไปบอกว่าจัตทั้งหลายที่อยู่ทิศเบื้องหน้ามีพ่อและแม่เป็นต้นเนี่นะที่เราน้อมไปหรือว่าสปปรรพสัตว์ทั้งหลายที่นอกจากพ่อและแม่เนี่ย ที่อยู่ในทิศเบื้องหน้าของข้าพเจ้าเนี่ยจงเป็นผู้มีความสุขเถิดจัดทั้งหลายที่อยู่เบื้องหน้าของข้าพเจ้าเนี่ยอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยจัดทั้งหลายที่อยู่ในเบื้องหน้าของข้าพเจ้าเนี่ยอย่าได้มีจิตทิพยาบาทอาฆาตฟองร้ายเดียดเดียนซึ่งกันและกันเลยจัดทั้งหลายที่อยู่เบื Inform ้องหน้าของข้าพเจ้าเนี่ยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยจัดทั้งหลายที่อยู่เบื้องหน้าของข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเถิดน้อมจิตไปในสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในเบื้องหน้าอย่างเนื้อนะแต่การกระทาจริงๆต้องใช้เวลาในการไข่ครวญในการทำเมตานั้นให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะเมื่อทาเมตตาให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตัวสภาพของเมตตาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นอย่างแล้วแล้วเราเ เมื่อเมตตาเกิดขึ 1. ้นอย่างแล้วแล้วเราเล่าตัวสภาพของเมตตานั้นเน่ก็ไม่หยุดอยู่เมื่อเมตตานั้นไม่หยุดอยู่เมตตานั้นดับไปเมตตาใหม่ก็เกิดขึ้นติดต่อกันอย่างต่อเนื่องลักษณะเมตตาที่เกิดขึ้นสืบต่อกันอย่างต่อเนื่องสภาพของเมตตานั้นก็จะมีพลังของเมตตามากขึ้นฉะนั้นพลังของเมตตาหรือพลังของสมาธิก็จะมีกาลังมากขึ้นมากขึ้น ทีนี้เมื่อมากขึ้นแล้วก็จะเป็นปัจจัยใหสัตว์ทั้งหลายที่เราแผ่เมตตาให้เขานั้นะเขาได้ความสุขอย่างที่จิตของเราแผ่เมตตาจริงๆทีนี้ในขณะที่เราแผ่เมตตาให้กับบุคคลอื่นนั้นพลังของเมตตาที่เราแผ่ให้กับบุคคลอื่นนั้นพลังของเมตตานั้นก็จะย้อนกลับมาสู่กระแสจิตของเราพอย้อนกลับมาสู่กระแสจิตของเราเนี่ยก็จะทําให้กระแสจิตของเรานั้น่ะเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังของเมตตา เมื่อเ ต, เต็มเปลี่ยมไปด้วยพลังของเมตตาสมาธิก็จะเกิดขึ้นกับเราอย่างมั่นคงเมื่อสมาธิเกิดอย่างมั่นคงตัวเนี้ยสมาความปลาบปลืม้มความสุขความสงบความเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นก็จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วประการต่อมาก็เริ่มแผ่ไปในท้งทิศเบื้องขวาในขวามือของเราเนี่ยขวามือของใครของมานเนี่ย ในขณะที่เราหลับตาแล้วก็แผ่ไปทั้งทิศเรื่องขวาจริงๆทิศเรื่องขวาท่านอุปมาเหมือนครูอาจารย์ใครที่เคยเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราแล้วก็แผ่เมตตาขอให้ครูอาจารย์จงเป็นผู้มีความสุขปราศจากทุกข์มีใจเบิกบานเป็นต้นเหล่านี้นะตลอดถึงสัตว์ประสาททั้งหลายที่อยู่ทั้งทิศเบื้องขวาของข้าพเจ้าเนี่ยขอให้เป็นผู้มีความสุขเถิดขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในเบื้องขวาของข้าพเจ้า อย่าได้มีเวีต่อกันและกันเลยสัดทั้งหลายที่อยู่ด้านขวามือของข้าพเจ้าอย่าได้มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตฟองร้ายเดือดเย็นซึ่งกันและกันเลยสัดทั้งหลายที่อยู่ขวามือของข้าพเจ้าจงเป็นอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสัดว์ทั้งหลายที่อยู่ขวามือของข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง หลับตาก็ส่งใจไปทางด้านขวามือของเราเนี่นะให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปทางด้านขวามือของเราน้อมจิตไปในลักษณะนี้เดี๋ยวพลังของเมตตาก็จะเกิดขึ้นเลนะประการต่อไปก็คือแผ่ไปทางด้านซ้ายกินนิดนิดอมาดพวกพ้องอะไรต่างๆเหล่านี้และในขนาดเดียวกันก็คือว่าเมื่อเราแผ่ไปในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่า จัดทั้งหลายนะที่เป็นเพื่อนทุกเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นที่อยู่ขวามือของข้าพุทเจ้าเนี่ยจงเป็นผู้มีความสุขเถิด อ, อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอย่าได้มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตฟองร้ายเดียดเดียนซึ่งกันและกันเลยเป็นต้นแล้วก็อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยรักษาตนไม่พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเถิดเมื่อเราน้อมติดไปในลักษณะแบบนี้แล้วเนะีย ก็ทรงจิตเป็นไปกับเมตตาให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วแล้วเราเล่านี่ในลักษณะว่าทำเมตตานั้นให้เกิดขึ้นให้เป็นไปในทิศเบื้องซ้ายประการต่อไปก็คือแผ่ไปในทิศเบื้องหลังมีบุตรภรรยาเป็นต้นอะไรเนี่ยนะหรือตลอดถึงแผ่ไปให้กับสัต์ทั้งหลายที่อยู่ด้านหลังก็ได้พอเราแผ่ไปในลักษณะอย่างนี้ก็ท่งกระแสจิต แ, แสจิตที่ออกไปจากจิตของเราเนี่ยบางท่านก็อุปมาเหมือนกับเหมือนแสงพุ่งออกไปเลยนะบางคนบางคนก็ไม่ได้เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นเพียงแต่ระลึกได้คิดได้แล้วก็นึกได้ฉะนั้นสภาพของเมตตาเนี่ยนะเป็นบัญญัติเป็นอารมณ์ของบัญญัติเมื่อเกิดขึ้นมาเนี่ยนะท่านน้อมใจไปในลักษณะอย่างไรถึงเกิดอย่างไรก็ไม่ต้องไปกังวลตรงนั้น เพียงแต่ทากระแสจิตให้เกิดขึ้นให้สืบต่อต่อเนื่องว่าสัตว์ทั้งหลายที่อยู่เบื้องหลังของเทพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเธอดสัตว์ทั้งหลายที่อยู่เบื้องหลังของเทพเจ้าเนี่ยอย่าได้มีเวรต่อกันละกันเลยสัตว์ทั้งหลายที่อยู่เบื้องหลังของเทพเจ้าอย่าได้มีจิตคิดพยาบาตรอาฆาตฟองร้ายเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัตว์ทั้งหลายที่อยู่เบื้องหลังของเทพเจ้าอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย แต่ทั้งหลายที่อยู่เบื้องหลังของเข้าพปเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเถิดน้อมกระแสจิตทรัทธารำสติสมาธิทมปัญญาทมวิริยะเป็นต้นให้สหละคตกับความกับเมตตาแล้วก็ส่งกระแสจิต ท, ที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยเมตตาเนี่ยเป็นปกรสับที่อยู่เบื้องหลังของเรานั้น เป็นไปแล้วแล้วเล่าเล่าแผ่ไปอย่างกว้างขวางแผ่ไปโดยไม่มีประมาณเมื่อทำได้ในลักษณะอย่างนี้อันนี้แสดงให้เห็นว่าการอบรมการเจริญนั้นเริ่มได้ผลแล้วเมื่อการเจริญและการอบรมนั้นได้ผลก็มาตรวจสอบดูที่ใจของตนเองว่าตอนนี้สมาธิเป็นอย่างไร ถ้าสมาธิมีความไม่ตั้งมัน่นก็เพ่งให้เกิดความตั้งมั่นให้เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดความตั้งมั่นเป็นไปอย่างต่อเนื่องก็น้อมไปในศัต์ทั้งหลายที่เกิดอยู่ในเบื้องบนในอากาศเนี่ว่าจะเป็นภูมิรัเทวดาลุกจะเทวดาอากาศจเทวดาหรือพรมทั้งหลายต่างๆตลอดถึงสมณพรามทั้งหลายที่ยินมีฐานะอยู่เบื้องบนพระราชากษตรทั้งหลายต่างๆเนีย้ย น้อมติดไปให้ท่านเหล่าน uh ั้นสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในเบื้องบนจงเป็นผู้มีความสุขเถิดสัตวทั้งหลายที่อยู่ในเบื้องบนอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในเบื้องบนของข้าพเจ้าเนี่ยจงเป็นผู้อย่าได้มีจิตทิฏฐิบาศอาฆาตฟองร้ายเบียดเบียนสึ้นกันและกันเลยสัตวทั้งหลายที่อยู่เบื้องบนของข้าพเจ้า ่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสัต์ทั้งหลายที่อยู่เบื้องบนของข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเถิดให้สังเกตดูนะว่าเมตตาที่เกิดขึ้นเนี่ยใจเราน้อมไปจริงๆรนะิ้หรือมันติดอยู่ที่ใจอย่างเดียวมันไม่แผ่ซ่านออกไปถ้ามันไม่แผ่ออกไปแสดงว่าเมตตายังไม่มีผลบางทีมันไม่ยอมออกมันค้านมันเกียดข้าน เวลาจะทาําให้นมาปุ๊บหึงอย่างเงี้มันก็มันก็อยู่เฉยๆอย่างเงี้ยใจมันดือ้อมันไม่มันไม่ยอมวิ่งท่าหนกมันไม่ยอมไปตามที่เราปรารถนาหรือเราต้องการตรงนี้ก็ต้องพยายามอบรม บ, บ่อยๆอย่าไปท้อก็ให้นั่งคิดอย่างนี้นะว่าถ้าเราท้อนะวันนี้แล้วต่อไปเราจะฝึกเจริญเมตตาได้อย่างไร ฉะนั้นถ้าหากว่าใจมันไม่น้อมมันไม่ออกไปต่ออารมณ์ที่เรากําลังแผ่เนี่ยก็ไอ้น้อมกลับมาในการแผ่ให้กับตนเองเมื่อเราน้อมแผ่กับตนเองจะมีความตั้งมัน่จนจะมีความผ่องใสจะมีความมั่นใจตนเองแล้วก็ค่อยน้อมในการที่จะแผ่ไปให้บุคคลอีกฉะนั้นการแผ่เมตตานั้นสภาพของเมตานั้นต้องออกไปในอารมณ์นั้นจริงๆ ไม่ใช่ว่าติดอยู่ที่ลิ้นี่ปากหรือไม่ใช่ว่าติดอยู่ที่ที่ใจถ้าติดอยู่ที่ลิ้นี่ปากหรือติดอยู่ในที่ใจนั้นแสดงว่าเมตานั้นไม่เ อ, อ, อเื้อเมกมันเหมือนว่าเราจะหยิบของแต่มือเราไม่ยื่นออกไปที่ของนะั้นมันก็ไม่ได้ของเวลาเจริญเมตตาหรืออบรมเมตตาเวลาแผ่เมตาก็เหมือนกัน ถ้าหากเราแผ่เมตตาเนี่ยตัวเมตตามันไม่มันไม่เดินทางไปไอ้ตรงนี้ก็แสดงให้เห็นชัดว่าเมตตายังไม่ออกฤทธิ์นั้นต้องแผ่ไปในลักษณะอย่างไ้ทีนี้ประการต่อมาก็คือให้แผ่ให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในพิษเบื้องต่ามีพวกอบายสัตว์ทั้งหลายหรือสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในเบื้องต่ำต่อจากเราหรือว่ากลุ่มที่อยู่ในฐานนะเป็น บุตรไถ่เป็นต้นเหลนี้เบาไถ่เป็นต้นบอกว่าสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในเบื้องต่ําของข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในเบื้องต่ําของข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในเบื้องล่างเบื้องต่ําของข้าพเจ้าจะได้มีกิจทุกปยาบาทอาฆาตฟองร้ายเดียดเดียนเช่นกันและกันเลยสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในเบื้องล่างเบื้องต่ําของข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุข จะได้มีความจะได้มีจิตทุกข์ทายาทอาฆาตกองร้ายเบียบเดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในเบื้องล่างของข้าพเจ้านี้จะได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยและสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในเบื้องล่างของข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเถิดการน้อมจิตไปในลักษณะอย่างนี้แสดงให้เห็นชัดว่าตอนนี้สภาวะของ เมตตาภาวนานะมันเกิดขึ้นฉังนั้นเมื่อเมตตาภาวนาเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ก็เป็นการชี่ยวเห็นว่าเป็นการอบรมเป็นการบรม่มเป็นการเจริญเมตตาทีนี้การบรม่มการเจริญการอบรมเมตตานะี่นะจะต้องให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องการเป็นไปอย่างต่อเนื่องในลักษณะอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าเป็นการเจริญเมตตา นีปการต่อมาก็คือว่าการเจริญเมตตาอีกอย่างนี้ว่าสภาวะของเมตตาเนี่ยนะที่อบรมแล้วด้วยศรัทธาผู้จเจริญเมตตาประคองความเพียรไว้ <c oughs> ประคองความเพียรไว้ว่าขอให้สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นผู้มีความสุขเถอจเจริญเมตตาที่ตนเองอบรมแล้วด้วยศรัทธาด้วยประการประคับประคองด้วยความเพียรบอกว่าขอสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย แล้วก็เจริญเมตตาอันที่ตนอบรมแล้วด้วยศรัท ธ, ธาหรือด้วยการที่ประครับประคองความเพียรไว้บอกว่าขอสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแจ่เจ็บ ต, ตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่าได้มีจิตคิดพยาบามฆาตรองร้ายเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยเจริญศรัท ธ, ธาประกอบด้วยเมตตาแล้วประครับประคองด้วยความเพียรนี้ ว่ขอสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่าได้มีความทุกข์ตายทุกใจเลยแล้วก็อบรมเจริญเมตตาอบรมสัดทิ้งซีประกอบด้วยเมตตาและความเพียรเป็นต้นว่ขอสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนใน้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงถึง ผู้เจริญเมตตานะั้นไม่หวั่นไหวในความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาด้วยมนสิยการไม่หวั่นไหวในความเกลียดค้านไม่หวั่นไหวในความที่มีสติไม่มีสติตั้งมั่นเป็นต้นเหล่านี้เนะนี่ยฉั้นพยายามประกอบทำศรัทธาความความตั้งมั่นทําความเพียรให้เกิดขึ้นในการเจริญในการอบรมนี้ ลักษณะอย่างนี้ก็จะสามารถเจริญเมตตาให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องการเจริญเมตตาให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างนี้ต่อไปจะเป็นปัจจัยเก่การที่ทําให้การแผ่เมตตาของเรานั้นเป็นไปได้อย่างตลอดสายทีนี้การที่เราจะเจริญเมตตาให้เป็นไปได้อย่างตลอดสายได้นั้นนะที่เมื่อสักครู่ที่กล่าวนาในการที่จะ แผ่เมตาให้เป็นไปในทิศทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้ทีนี้ในคำสอนนั้นท่านกล่าวท่านกล่าวไว้มากพระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าดูก่อนลาะความพอใจความกำหนัดความยินดีความ่ายอันใดในรูปรขันธ์บุคคลใดติดข้องอยู่ในรูปรขันธ์ด้วยความพอใจเป็นต้นเพราะเหตุ น, นั้นบุคคลนั้นจึงเรียกว่าศัต์ ความพอใจความกำหนัดความยินดีความไข่ในเวทนาในสัญญาในสังขารในยิญยาณเหตุนั้นจึงเรียกว่าสัตว์โวหารว่าสัตว์เนี่ยแท้หลายแม้ในบุคคลผู้ไม่มีความกำหนัด ก, ก็ได้ฉะนั้นคําว่าสัตว์นี้เป็นเพียงสัตว์แต่ว่าชื่อเท่านั้นไม่ต้องไปวิจารณ์ถึงความหมายของฝ่ายอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นฉะนั้นจะบอกว่า แล้บอกขอให้สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแต่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนในนีน้ขอให้เป็นผู้มีความสุขเถิดเราก็น้อมจิตของเราเป็นไปในสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตั้งกระแสจิตที่ประกอบไปด้วยเมตตาที่ดังที่ได้กล่าวบอกว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายบอกว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าให้บุคคลอื่นมีความสุขแต่การที่เราจะแผ่ให้กับบุคคลอื่นให้มีความสุข ให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้นั่นนะก็ต้องมานึกถึงตนเองบอกว่าในคําที่เราแผ่ให้กับตนเองบอกว่าขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขด้วยคำว่าความสุขในที่นั้นก็หมายความบอกว่าถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยอะไรคือความสุขของเราสิ่งที่เราปรารถนานั่นคืออะไรบางคนก็ปรารถนารูปสมบัตินามสมบัติอะไรก็แล้วแต่บางคนก็ปรารถนาทรัพย์สมบัติที่นี่ บางคนก็เห็นว่าสิ่งต่างๆเป็นความสุขแตกต่างกันไปฉะนั้นการที่เราตั้งปรัถนาความสุขเอาไว้แต่ความสุขถ้าจัดตามลําดับความสองก็คือว่ามนุษย์สมบัติก็เป็นความสุขระดับหนึ่งสวรรค์สมบัติก็เป็นความสุขระดับหนึ่งแต่สุขเหล่านี้เป็นความสุขที่อิงด้วยเวทนานี่สุขเหล่านี้เป็นความสุขที่อิงด้วยเวทนาแต่ความสุขที่สูงสุดไปกว่านั้นก็คือความสุขในด้านของ นิพพานสมบัติแต่การที่จะถึงนิพพานสมบัติได้หรือไม่นั้นเราก็ตั้งเจตนาและตั้งจิตปรารถนาเข้าไว้แต่ในเบื้องต้นนี้เราปรารถนาความสุขที่เป็นไปในส่วนของโลกียธรรมนั่งนะและในขณะเดียวกันเราก็ปรารถนาความสุขในการที่ได้คุณธรรมทั้งหลายคือเมตตาภาวนาเป็นต้นเหล่านั้นอินทรีย์ห้าเป็นต้นเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในกระแสใจของเรา เมื่อเมตตาและอินทรีย์ทั้งหลายเกิดขึ้นในใจของเราแล้วเนี่ยเมตตาและอินทรีย์เหล่านั้นก็จะบล็มจิตใจของเรานั้นให้เจริญให้งอกงามเป็นต้นเล่นี้ประการต่อมาก็คือบอกว่าขอให้ข้าไปแก้ยจะได้มีเวนต่อใครใเลยเวนในที่นั้นเป็นชื่อของปานอาทิบาตเป็นชื่อของการฆ่าเวรละเนี่ยเนี่ยเวนอีกอย่างหนึ่งก็คือชื่อคําว่าเวนเเนี่นียเป็นชื่อของการที่บอกว่า เวรภัยทั้งหลายเช่นปาณาติบาสการฆ่าอธินาทานการรักกาเมียสมิฉาจาร์ก็คือการประพฤติผิดในการมมูสาวว่าก็คือการกล่าวเท็จเป็นต้นเราก็ตั้งจิตปรารถนาบอกว่าให้ข้าพเจ้าหรือขอให้ข้าพเจ้านี่ยพ้นจากเวรทั้งหลายพ้นจากกรรมมันชั่วช้าทั้งหลายเพ้งจากเวรกรรมคือ ป, ปาณาติบาสเป็นต้นเลยนะ ตั้งจิตปรารถนาดีให้กัตนเองในลักษณะอย่างนี้ประการต่อมาก็คือว่าขอให้เข้าไปเจ้า่าได้มีจิตทิพพยาบาทอาฆาตปองลายเบียเดเบียนซึ่งใครๆจิตพยาบาทในที่นั้นคือจิตที่ประกอบไปได้วยโทสะทีนี้จิตที่ประกอบไปได้วยโทสะเป็นจิตที่ควรคำจัดเป็นจิตที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นในขัน เมื่อพยาบาทเกิดขึ้นเนี่ยนะเาเรียกความให้สังเกตดูนะว่าบางครั้งนี่ยทำไมเวลาเรานอนเนี่ยเราก็จะฝันร้ายไปทั่วเหตุที่เรานอนแล้วก็ฝันไปทั่วฝันร้ายบ้างฝันเป็นตุเป็นตาเป็นต้นอญญะไรนี่ม่งบอกเลยว่าใจของเราเนี่ยหนึ่งมีใจพยาบาทประการต่อมาก็คือจิตไม่เป็นสมาธิจิตมันฟุ้ง เพราะจิตเราเกิดความหงุดหงิดง่ายพยาบาทง่ายจับจดอะไรง่ายๆนไม่ค่อยตั้งมั่นในอารมณ์ใดเวลานอนก็ฝันร้ายบ่งบอกเลยว่าใจไม่มีเมตตาเมื่อใจไม่มีเมตตาเนี่ยมันจะฝันร้ายอยูต่ตลอดเวลาแล้วนอนก็เดี๋ยวตื่นบ้างเดี๋ยวผวาว้างนี้เป็นตนน้นนะตื่นขึ้นมาก็ไม่มีความสุขทีหน้าก็ยุ่งเหยิงไม่ยิ้มแย้มไม่ผ่องใส ไม่เหมือนกับบุคคลที่เขาจเจริญเมตตาเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยจิตของเขามีเมตตามีเป็นไปอย่างนี้ฉะนั้นถึงบอกว่าขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีจิตทิพยาบ า, อ า, าตอาฆาตฟองร้าเดือดเดือดเช่ น, นเดียใครเลยทิพยาบาทที่มันเกิดขึ้นกับใจเราเนี่ยเราก็ไม่ปรารถนาให้พยาบาทเกิดขึ้นในใจทีนี้การที่จะไม่ให้พยาบาทเกิดขึ้นอย่างเดียวไม่พอต้องตั้งอัธยาศัยในการที่ยจักกัฐานแล้วก็แห่เมตตาจิตให้กับตนเองด้วย ในขณะที่แผ่เมตตาจิตให้กับตนเองเนี่ยนะตัวสภาวะของเมตตาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทีนี้ในขณะที่กําลังทำกรรมาฐานเนี่ยนะถ้ามันเกิดความโง่ง่วงขึ้นมาเนี่ยทายัางไงเออถ้ามันเกิดความโง่หง้วงขึ้นมาเนี่ยต้องปกจิตให้ตื่นขึ้นคำปกจิตให้ตื่นขึ้นก็ปารต็ตนเองบอกว่าออสัตว์ที่ง่วงเหงาหานอนสัตว์ที่เกลียดค้านทั้งหลายเดีย๋ยวนี้ก็เขาลงไปอยู่ในอบายภูมิหมดแล้วไหม นี่เหลือแต่เจ้าเท่านั้นเองที่ยังเกิดการอยู่ในการเป็นมนุษย์อยู่อย่าก็นั่นเลยว่างั้นนะถ้าเราไม่รีบผักห้ามจิตของตนเองขจัดความงวกง่งวงให้ออกจากใจมุ่งมั่นในการจเจริญกรรมาฐานเดี๋ยวเราก็จะตามเหล่าสัตว์เหล่านั้นไปเนี่นะพยายามพอคิดถึงเอาใบเสกคิดถึงเอาใภูมิอย่างนี้มันกลัวนมันเกิดความรู้สึกภาคเพียนขึ้นมาโอ๋ไม่เอาแล้วมันก็ลุกออกจากความภาคเพียน พอลุกออกจากความเพียรเหล่านี้มันก็เริ่มจะน้อมจิตเข้าไปหาสมาธิใหม่ทีนี้พอตั้งมั่นในการที่จะอบรมในการที่จัดเจริญสมาธินี่ยนในขณะนั้นเราก็น้อมถึงบอกว่าคอยเข้าไปเจ้าเย็นได้มีจิตที่พยาบาทอาฆาตฟองรา้ายเดือดเดืยดขึ้นในใจเลยประการต่อมาคือว่าคอยเข้าไปเจ้าเย็นใจได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยความทุกข์กายและความทุกข์ใจเนี่ยตัดโลกไม่ตัดแขนเลย ไม่มีใครปรารถนาทุกคนปรารถนาความทุกขกายความสุกขใจทั้งนั้นความทุกข์กายที่จะเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บจากการเกิดจากการกระทํของบุคคลอื่นจากสัตว์อื่นหรือจากการหกล้มเป็นต้นนั้นเราก็ไม่พึงปรารถนาได้มันจะตามมาด้วยความทุกข์ใจเราก็ไม่ปรารถนาการขอในลักษณะอย่างนั้นคือการแผ่สมาธิเออมันแปลกอย่างใ น, นตัวสมาธินี่ เมื่อเราตั้งจิตมั่นแล้วก็น้อไปในเรื่องใดเราคิดในเรื่องใดบ่อยๆแล้วสิ่งเหล่านั้นสําเร็จได้ให้สังเกต ด, ดูนะว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตที่ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็เริ่มจากความคิดความตั้งมั่นก็มาจากเมตตานี่หละเป็นต้นเดี้ท่านตั้งอัธยาศัยเขบอกว่าบอกว่าเราจะต้องตัดสรู้ให้ได้เมื่อเราตัดสรู้แล้วจะทําให้บุคคลอื่นตัดสรู้ตามด้วย เมื่อเราพ้นแล้วจะทําบุคคลอื่นให้พ้นด้วยเมื่อเราข้ามได้แล้วจะทําบุคคลอื่นให้ข้ามได้ด้วยพอท่านตั้งอัธยาศัยอย่างนี้นะแล้วท่านก็ดําเนินไปอย่างนี้เขาเรียกว่าเหมือนการเจริญเมตตาแผ่เมตตาให้ตัวเองเหมือนกันขอให้เข้าไปเจ้าจงพ้นจากศัตรูทั้งภายในและภายนอกขอให้เข้าไปเจ้าจงพ้นจากศัตรูทั้งภายในและภายนอกพราตึกคิดบ่อยๆนี่นะนักเข้านักเข้าศัตรูมันหายไป แล้วมันพ้นจากศัตรูได้จริงๆถ้าไม่น้อมจิตหรือไม่ให้พรตัวเองแบบนี้มันไม่พ้นบางคนมีประสบความยุ่งยากในชีวิตนี่นะเนียพรแผ่เมตตาให้ตนเองพ้นจากพยานอันตรายต่างๆเหล่านั้นแล้วมันพ้นได้บางคนเียประสบความย่อยยับทาง ท, างทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเนะ่เออพอจเจริญกรรมฐานแผ่เมตตาอย่างเี้ยเนี่ยนะทําให้จิตใจของเอ็งมุ่งมั่นและตั้งมั่น เมือนานาถาปนี้ราเศรษฐเป็นต้นอนะไรนี้